ตระกูลพญางูทั้งสีตระกูลพญางูทั้งสีตระกูลคือ 1. นตระกูลพญางูชื่อวิรูปสองตระกูลพญางูชื่อเอราประถทะ 3. าตระกูลพญางูชื่อฉับพยาบุตร 4. ตระกูลพญางูชื่อกันหาโคตมกะภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นคงจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางูสี่ตระกูลนี้เพราะถ้าภิกษุนั้นแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางูสี่ตระกูลนี้ภิกษุนั้นจะไม่ถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางูสี่ตระกูลนี้เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตน